แนะนำบทอัลมุดดัสิรอัลมุดดัสิรเป็นบทมักกียะห์มี 56 องค์การเรื่องราวของบทนี้เช่นเดียวกับบทก่อนๆนี้คือบทอัลมุซซัมมิลโดยกล่าวถึงมุมหนึ่งของการดํารงชีวิตและบุคลิกของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้จึงถูกขนานนามว่าอัลมุดดัสิรบทได้เริ่มด้วยการใช้ให้ท่านรอซูล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 คืออัลวะลิดอิบนุลมุกีเราะห์ซึ่งได้ฟังอัลกุรอานและทรงรู้ว่าเป็นคํากล่าวของอัลเลาะห์แต่เนื่องจากการเป็นหัวหน้าและยังคงมีความรักและหวงใหญ่ต่อตําแหน่งเขาจึงอ้างว่าอัลกุรอานเป็นมายากลและว่ามุฮัมมัดเป็นนักเล่นกลบทนี้ได้กล่าวถึงฝ่ายนรกซึ่งอัลเลาะห์ได้สัญญาไว้กับพวกปฏิเสธได้กล่าวถึงประตูนรกและยามเฝ้าประตูนรก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 ในสาเหตุที่พวกเขาเข้าสู่นรกบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงสาเหตุที่พวกมุชริกีนไม่ยอมศรัทธาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยาอัยยูฮัลมุดดัสสิรโอ้ผู้ห่มกายอยู่นั้นภูมิซาดิดจงลุกขึ้น และประกาศตักเตือนวะร็อบบะกะฟักกับบิละแด่พระผู้อภิบาลของเจ้าจงให้ความเกรงกลัววะซิยาบะกะฟักอฮิดละเสื้อผ้าของเจ้าจงทำให้สะอาดเสียวะรุจซะฟะฮ์ญุรละสิ่งสกปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสียวะลาตันตัสตะษบละอย่าทำคุณเพื่อหวังการตอบแทนอันมากมายวะลิร็อบบิกะฟัศบิรละเพื่อพระผู้อภิบาลของเจ้าเท่านั้น فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ مَاسِيڠ เป่าถูกเป่าขึ้น فذلك يومئذ يوم عسير نั่น คือวันนั้นเป็นวันแห่งความยากลําบาก على الكافرين غير يسير กับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย donc ni wa nan khalaqtu wahida จงปล่อยข้าไว้กับผู้ที่ข้า ได้สร้างเขาไว้แต่ลำพังเถิดและข้าได้ทำให้เขามีทรัพย์สมบัติอย่างเหลือล้นและลูกหลานที่พร้อมพร้อมและข้าได้ทำให้เขาสุขสบายอย่างราบรื่น แล้วเขายังโลภที่จะให้ฆ่าเพิ่มพูนแก่เขาอีกกัลลาอินนะฮูคานะลิอายาตินาอานีดานเปล่าเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้ดื้อรั้นต่อสัญญาณต่างๆของเราซาอุมฮูซอดาในไม่ช้าข้าจะเพิ่มความยากลําบากให้แก่เขาอินนะฮูฟักกะรวะกัดดะรแท้จริงเขาได้ไข้ครวนและคาดเคเนดังนั้น เขาต้องได้รับความหายนะและเขาจะคาดเหน่ได้อย่างไรทุมมากุติลัยฟะกัดดรและเขาต้องได้รับความหายนะเขาจะคาดเหน่ได้อย่างไรทุมมานัซรแล้วเขาได้ตรึกตรองทุมมาอะซะวะบะซรแล้วเขาทําหน้าบูดบึ้งและทําหน้านิ้วคิ้วขมวดทุมมาอัดบะรวัสตะกบะร แล้วเค้าก็หันหลังออกไปและหญิงพยองตะกอละอินฮาซาอิลาซิห์รยูอ์ซอรแล้วเค้าได้กล่าวว่านี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นมายาคนที่สื่อทอดกันมาอินฮาซาอิลากอูลุลบะชร นี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นคําพูดของปุถุชนธรรมดานายไม่ช้าข้าจะโยนเค้าเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้และใครเล่าทําให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่เผาไหม้นั้นคืออะไร มันจะไม่เหลืออะไรเลยและมันจะไม่ปล่อยผู้ใดให้คงเหลือไว้มันจะเผาไหม้ผิวหนังจนไหม้เกรียมเนื้อมันมีมะลาอิกะ 19 ทัน وَمَا جَعَلنا عِدَّتَهُم اِلا فِتْنَةً لِّلَّذين كَفَروا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذين أُوتُوا الْكِتابَ وَيَزْدَادَ الَّذين آمَنُوا إيمانا وَلا يَرْتَابَ الَّذين أُوتُوا الْكِتابَ وَالْمُؤمِنون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 และเราไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นยามเฝ้าประตูนรกนอกจากมาลีกาเท่านั้นและเราไม่ได้กําหนดจํานวนของพวกเขาไว้เว้นแต่เพื่อเป็นการทดสอบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเพื่อบรรดาชาวคัมภีจะได้เชื่อมั่นและบรรดาผู้ศรัทธาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธาและบรรดาชาวคัมภีรวมทั้งบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่ต้องสงสัย